สำหรับวันนี้ก็อยากของดจากเรื่องของอบายภูมิเพื่อถือว่าเรื่องของอบายภูมิตามที่เล่ามาแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะงดไม่ได้แล้วด้วยว่าเรื่องนั้นหลายเหล่านี้ถ้าจะนำมาเล่าสู่กันฟังคิดว่าเวลาสามปีมันก็ไม่จบ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังไปบ้างพอสุงควรก็ถือว่าเป็นเพียงบุคคลตัวอย่างเท่านั้นเพื่อบุคคลตัวอย่างที่ประกอบความเลวก็ได้รับผลความเป็นทุกข์บุคคลที่ประกอบความดีรับผลความเป็นสุขแต่ส่วนที่แล้วมาเป็นเรื่องของความเลวความจริงการประพฤฏิบัติในด้านความเลวนี้ย่อมมีผลในชาติปัจจุบัน นีใช่ว่าจะเป็นต้องรอรับผลชาติหน้าเสมอไปสมมติอย่างที่เราด่าเขาแทนดีเขาจะยิ้มรับเขาก็ด่าตอบเราเราคิดประทุษร้ายเขาเขาก็คิดประทุษร้ายเราเราอาตตัญยูไม่รู้คุณคนความเดร้นะมันก็เกิดขึ้นกับเราคือไม่มีใครเขาอยากจะเลี้ยงเขาอยากจะคบหาสมาคม เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างฉะนั้นกรรมของบุคคลที่สร้างความชั่วทําตัวให้ลงนรกแล้วก็ยังไม่พอเมื่อเสรกรรมยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตเปรตนี้นับเป็นลําดับได้ถึงสองระดับก็อยจะผ่ า, านเปรตมาได้ก็ใช้วเวลาเป็นนับเป็นร้อยกับจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์นิรันดร์ เมื่อเป็นสัตว์ดิบฉานจากสัตว์เล็กแล้วก็กวรเป็นสัตว์ใหญ่มาทีละน้อยแต่น้อยจงกว่าจะเป็นสัตว์ที่รับความเมตตาปราณีจากคนเมื่อมาเป็นสัตว์ประเภทนี้แล้วหลังจากนั้นชีวาใช้กรรมที่เป็นอกุศลหนักพอสมควรพ้นไปถ้ากรรมนั้นผลกรรมความชั่วยังไม่สิน้นเมื่อเกิดเป็นคนก็ยังเป็นคนดีไม่ได้ รการหนึ่งอาจจะมีร่างกายทุกพลภาพไม่มีความสมบูรณ์เรการที่สองมันสมองอาจจะเฉยชาไม่มีความเฉลียวฉลาดแรืการที่สามฐานะไม่ดีตามสมควรหาเลี้ยงตัวไม่ค่อยจะพอกินอย่างนี้เป็นต้นและรการที่สี่เขาจะกลายเป็นคนที่มีความไม่สมบูรณ์แบบก็ร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี้จัดว่าเป็นอกุศลกรรมเครือเชื่อว่าอกุศลกรรมความชั่วที่ทำเราทําไปแล้วในอดีต ท, ที่ติดตัวมาในชาตินี้ที่เราจะมองเห็นได้ไง่ายก็คือหนึ่งคุณที่ละเมิดปานาติบาตเกิดไว้ชาตินี้เป็นคนอายุสั้นทันตายหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ในการมีสองคนที่มีโทษอตินาทานคนประเภทนี้เกิดมาแล้วมีความยากจนเข็นใจทรัพย์สินทั้งหลายที่หามันได้ก็ไม่พอกินไม่พอใช้นอกจากนั้นมีทรัพย์เทไหร่ก็มีความเสือ่อมมีความเสียอยู่ตลอดเวลาจากไฟไม่บ้านบ้างน้ำท่วมทับพัดเอาเอวทรัพย์สมบัติเสียหายบ้างลมพัดให้น้ำห้บ้านพังบ้าง หรือว่าถูกโจรกรรมลักขโมยบ้านอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นผลมาจากเศษขออ้อทินาทานเราสำหรับเศษผลของกาเมสุมิชาจารย์คนประเภทนี้จะมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีบริวารเ็เรีวยกว่าไม่อยู่ในวาดไม่อยู่ในคําสั่งสอนเป็นคนดื้อด้านทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่นนตน พรดีสี่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเศกกรรมที่เปลามุสาวาดสมเด็จพระบรมโลกกน่ายกล่าวว่าคนประเภทนี้เกิดมาเป็นคนมีวาจาเป็นที่ไม่ชอบใจขมันดาประชาชนผู้สดับได้รับฟังพูดอะไรไม่มีใครเขา อ, อยากเชื่อสําหรับเศกกรรมที่เศษสุราเรมีไรเกิดมาในชาติใหม่เป็นคน ก็กลายเป็นคนสติสตังไม่สมบูรณ์เป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างหรือไปที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่จัดว่าเป็นหลักของกรรมใหญ่สาหรับกรหลักของกรรมย่อยยังมีมากไปกว่านั้นเป็นอนว่าขอว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านเพืงทราบว่ากรรมที่เราทำแล้วเป็นอกุศล ไม่สามารถจะทำตนเขาบุคคลนั้นให้มีความสุขได้ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมภาระภพฉันั้นขอทุกท่านจงละเว้นกรรมที่เป็นอกุศลคือความชั่วชีให้หมดปฏิบัตตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาเขาองค์สมเด็จพระบรมสุขคืออย่างน้อยมีศีลบริสุทธ มีการให้ทานเป็นปกติใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งใดควรไม่ควรสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลควรไม่ควรทำเราก็เว้นสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดที่เป็นกุศลควรปฏิบัติเพราะเป็นปัจจัยของความสุขเราทำสิ่งนั้นอย่างนี้จึงจะมีความสุขอเกราการหนึ่งมีคนมักจะพูดกันเส ม, มอ ว่าชาตินี้กรรมชั่วของเราไม่มีกรรมดีไม่ปรากฏหมายความอาการเกิดมาแล้วเราไม่ทําความชั่วแต่แล้วเราก็ไม่ทําความดีอย่างนี้เราก็จะมีความสุขตั้งในชาตินี้และชาติห น, น้าแต่ความจริงความคิดอย่างนี้เป็นของผิด ไม่ใช่ถูกแต่คนเราที่จะเกิดมาได้นี่เพราะอาศัยผลสองเการคือหนึ่งมีสินห้าหรือว่ามีกรรมบทชสิบอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเราจรึงเกิดเป็นคนที่เราจะมีทรัพย์สินมากบ้างหรือน้อยบ้างก็าตามทีที่เรียกว่าพอจะมีจะกินได้ก็เพราะอาศัยคุ้ทานความดีในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการก่อน จึงมีผลให้เราเป็นคนมีทรัพสมบัติการที่เราจะมีปัญญารู้จักสิว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วก็เพราะอาศัยเราเคยอบรมธรรมแต่หากว่าผลอันนั้นส่งผลให้เรามามีความสุขในชาตินี้แล้วเราไม่ทำต่อไปก็จะมีสภาพเป็ว่าคนที่มีนามีไร่เคยทำผลได้แล้ว มีข้าวมีปลามีผลประโยชน์จากพืชไร่และพืช น, นาหลังจากนั้นเมื่อได้มาเราไม่ทำต่อกินของเก่าของเก่ามันหมดไฟของใหม่ไม่ปรากฏมาเราก็จะกลายเป็นคนไร้ทรัพย์ข้อ น, นี้ก็มีปรากฏมาในพระธรรมบทกุตตานิกาือเมื่ององสมเด็จพระจอมไตรบรมัยสัจสัดาสมมาสุภเทเจ้ายังทรมพระชนอยู่ ในเวลานั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จพระบรมครูได้แสดงว่าธรรมเทศนาเทศสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทในการวันหนึ่งองค์สมเด็จพระทร์สวัสดีโสภาพร้อมด้วยพระอนุนกำลังเดินไปบิดาบัต <c oughs> สมเด็จพระบรมโลกกนนาถทรงเห็นเด็กคนหนึ่งมีร่างกายคล้ายปีศาจคุกฝุ่นคำว่าปีศาจหมายความว่าร่างกายไม่สวยสดคดงามแถมคุกฝุ่นอีกด้วยช่วยให้ความไม่สวยมีมากขึ้นในตอนนี้องค์สมเด็จพระเยสีทรงย้ำพระโอษฐ ตามธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ไม่ทรงยิ้มไม่ทรงยแยมไม่ทรงหรัวเราะทั้นี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าถ้ายิ้มก็มีเรื่องสําคัญในขณะนั้นพระนนท์ท่านเป็นพระพธรรมชาพระองค์งสมเด็จพระวิชิตามานบริมัสสันดาส ม, มาสมพุทัเจา้าทรงไในเห็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าทรงยแยมพระโอรสก็สงสัย ยังได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรยว่าพันตพีพระเทวราชแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจา้าค่ะอง์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอทีเรื่องอะไรสมเด็จพระจอมไตรยบระมาศาสันดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาจัดถามว่าอ น, นันทาดูก่อนนันนน เธอเห็นท่านอานันตเศรษฐีไหม <c oughs> เป็นวันนั้นว่าพระนนท์มองไปก็ไม่เห็นความจริงพระอนนท์รู้จักท่านอานันตเศรษฐีดีแต่ได้ว่าเวลานี้ท่านอนันตเศรษฐีตายไปเสีแล้วดังนั้นพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกัดถามพระนนท์ก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นอานันตเศรษฐี สมเด็จพระมหามนีจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัตว่าอนานันธาดูก่อนอนนล์เพือเห็นเด็กคนที่มีรูปร่างคล้ายคล้ายปีศาจทุกฝุ่นไหมเพื่อนนล์ก็กราบทูลตอบองค์สมเจ็ดเด็กพระอจอมใจว่าเห็นพระพุทธเจ้าข่าสมเด็จพระบรมาาศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตานานารัตว์อนันธาดูก่อนอนนล์ เด็กคนนั้นแหละคืออนันตเศรษฐีและอนนุนก็สงสัยและสมเด็จพระจอมไตรกิณีทรงตัดว่าดูก่อนอนนุนอนันตเศรษฐีคนนี้เพราะสายเคยบำเพ็ญบารมีคือการให้ทานการรักษาสินมาในการก่อนเธอเป็นผู้มีสินเธอจึงเกิดมาเป็นคน แล้วก็อาศัยการให้ทานกองการกุศลกับเธอในการในการก่อนคือชาติก่อนบรรดาลให้เธอมาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่ได้ว่าในชาตินี้เธอมีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เป็นข้างปู่ย่าตาปู่คืยญาติปู่ใหญ่มีบิดามดานญาติปู่ใหญ่ขึ้นไปเป็นต้นเป็นคนสั่งสมไว เธอก็มาคิดในใจว่าไอ้ทรัพย์สินของเรามีในใจท้่เราจะแบ่งให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่เหตุเพราะว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ช่วยกันสั่งสงขึ้นไว้เธอจงมาตั้งใจว่าความชั่วของเราไม่มีความดีก็คงปรากฏนั่นคือเธอไม่ละเมิดในศินทั้งห้าประการเพราะว่าเธอเป็นมหาเศรษฐี ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องละเมิดสินสำหรับสินเธอไม่ได้สมาทานแต่ว่าเธอไม่ได้ละเมิดแปล ว, ว่าเธอก็ถือว่าทรัพย์สินของตนมีอยู่ไม่ใช่คนอื่นที่จะมาล้องเกี่ยวแล้วตัวคนเดียวคือเราเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้สอยในทรัพย์ ฉะนั้นจีวเธอจึงไม่เคยให้ทานแม้แต่สัตย์ใดฉัยคือเศษอาหารที่กินเหลือแล้วก็ไม่ยอมให้ทานกษัตย์ <c oughs> จะว่าแต่คนองสมเร็จพระทศพลตัดต่อไปว่าหลังจากนั้นเมื่อท่านอนันตเศรษฐีตายแล้วอาศัยที่เธอไม่ละเมิดในศีลห้าแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติในศีลเพียงได้เขาไม่ละเมิด แล้วก็ไม่มีการให้ทานการกุศลขึ้นชืี้ความเมตตาของกุศลทีคนนี้ที่จะสงเคราะห์แก่บุคคลใดย่อมไม่มีแก่เธอเพราะสาัยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏหมายความความชั่วในการละเมิดิ่งของเธอไม่มีแต่ความดีในการสมาทานศีลปฏิบัติในศีลไม่มี ความดีในกัรในในกรุณาความสงสารเธอสองเคราะห์บุคคลอื่นก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อเธอตายจากคนแล้วเธอไม่มีศีลเธอไ ม, ม่เคยให้ทานเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาก็าไม่ได้เมื่อคนที่จะเกิดเป็นเทวดาต้องมีศีลมีทานหรือถ้าจะไปเกิดในท้องของคนที่มีทรัพย์สินก็ไปเกิดไม่ได้ เพราะคนที่มีทรัพย์สินจะมากหรือน้อยก็าตามเขาต้องเคยมีสินเคยมีทานมาก่อนเด็กจึงจะไปเกิดได้เพราะการเกิดของเด็กจะต้องมีภาวะเสมอกันคล้ายคล้คลายคลึงกันกับบิดามารดาคือมีศรัทธาเสมอกันมีจาคะการบริจาคทางเสมอกันมีสีนเสมอกันมีปัญญาเสมอกันจึงจะไปเกิดร่วมในพ่อด็กคุณนั้นได้ เนื้อสัยอนันตเศรษฐีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏจึงจำเป็นต้องไปเกิดในคันของคนขอทานในเมื่อเธอเข้าไปปฏิสนธิในคันของคนขอทานวันรุ่งขึ้นจากนั้ น, นคณะบุคคลผู้ขอทานมีมากเขาตั้งจะเป็นสมาคมคำว่าสมาคมนี้แปลว่าไปร่วมตัน ได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันวันนั้นสมารครมขอทานไปขอที่ไหนไม่มีใครเขาให้มาตอนเย็นหัวหน้าสมารครกรมหรือท่านประธานขอทานก็ไม่คิดในใจว่าคนกาและเก น, นีคนจะเกิดขึ้นแล้วในคณะของเราจรึงได้แบ่งบุคคลออกไปสองส่วนส่วนใดที่ มารดาของท่านอานันตเศรษฐีที่อยู่ในท้องไปด้วยส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับทานในที่สุดว่านายขอทานก็จัดออกเป็นรายบุคคลแยกกันไปหากินคนอื่นได้กินหมดแม่ของท่านอานันตเศรษฐีที่ท่านยังอยู่ในท้องไม่มีทางได้กินท่านเบลทานขอทานหรือว่านายยกขอทานนายยกเขเรา่าผู้นำ ยิ่งไปทราบว่าคนกาและกินนีม่เกิดในท้องของหญิงคนนี้ว่าตามปกติเธอขอทานได้เสมอจึงได้สั่งเธอบอกไม่ต้องไปหากินคนอื่นหามันแล้วมาแบ่งให้กินเพราะเขาถือว่าไม่ใช่โทษของเธอมันเป็นโทษของเด็กในท้อง <c oughs> อยานั้นมาเด็กนี้คลอดมาแล้วาวันไหนมันดาไปขอทานเอาลูกไปด้วยวันนั้นไม่ได้กิน นี่มันเป็นอานิสง์ของบุคคลที่ไม่เคยให้ทานต่อมาเมื่อโตขึ้นพอเดินได้แข็งแรงมันได้ก็บอกว่าเจ้าจงไปตามทางของท่านเจ้าจงไปตามทางของเจ้าเอาก็บเบื้องแตกใส่มือให้บอกว่าเจ้าไปหายกินเองแม่เลี้ยงเจ้าไม่ได้ <c oughs> เด็ดน้อยคนนั้นก็กระเซาอกระเิงไป ไม่รู้จะไปทางไหนอาศัยที่ตายจากคนเกิดเป็นคนก็เหมือนกับคนที่หลับแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ก็ยังจำได้ทุกอย่างว่าเราเคยเป็นมหาเศรษฐีบ้านเขาเราอยู่ตำบล น, นั้นตำบล น, นี้ก็เดินตรงไปที่บ้านกำลังจะเข้าประตูบ้านนายประตูก็ไม่ยอมให้เข้า พอดีพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระอนนุนมาบิณฑบาตพอดีเมื่องค์สมเด็จพระจินาสีตรัสร่เรื่องตัดเล่าเรื่องนี้แก่พระอนุนทราบจึงมีพระบัญชาให้พระอานุนบอกอนันทาดูก่อนอนนุนเธอจงเรียกธรรมมหาเศรษฐีบทลงมา ท่านมันก็บอกให้บอกกันนายวรตูว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากจะพบท่านมหาเศรษฐีความจริงบุตรชายของอนันตเศรษฐีนั่นเองเมื่อท่านมหาเศรษฐีใหม่ลงมาแล้วองค์สมเด็จพระบัีแก้วจึงกล่าวว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีเด็กคนนี้เป็นบุตรบินบินได้ของเธอมีนามว่าอนันตเศรษฐี ท่านเศรษฐีนั่นขอโทษเติดถ้าว่าเป็นคนธรรมดาท่่นอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้านี่คงจะไม่สมบูรณ์ในด้านสมองในจิตใจ <c oughs> พอท่านรู้ว่าพ่อของท่านตายไปแล้วประมาณสามสี่ปีทำไมเวลานี้องค์สมเด็จเปชินาศีจิจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นพ่อของท่านนี่ถ้าเป็นเราเป็นท่านก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกัน องสมเด็จพระพระเก ว, วันทรงทราบความรู้สึกของท่านมหาเศรษฐีใหม่ยังได้กาวกับเด็กคนนั้นวันเธอชื่อว่าอะไรเด็กคนนั้นก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าอนันตเศรษฐีพระเจ้าค่ะองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, าจ้าจึงในถามลูกชายบอกว่าลูกชายเขาก็าจะได้ยินไหมเขาบอกว่าได้ยินแต่เขาไม่เชื่อ ข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าพ่อข้าของข้าพระพุทธเจ้าตายไปสามสี่ปีแล้วฉะนั้นองค์สำเร็จพระประทิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติกาแต่กันเด็กว่าท่านอานานทเทศทีทรับส่วนใดที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายคนนี้ของท่านยังไม่รู้นะมีบ้างไหมเด็กคนนั้นก็กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมยายาสสันดาจาึงได้มีพระพุตรดีกาตัดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงชี้คุมทัพย์ที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายยังไม่รู้ให้แต่ลูกชายได้ทราบถ้าอนันดาเสรีเล็กคือเด็กรูปร่างเหมือนวิสัายครุฑจริงเรียเรียลูกชายให้ตามมานายนัย่นก็ตามไปชี้ลงไปว่าตรงนี้พ่อฝังตุ่มทองไว้ เขาก็ใช้คนใช้ให้ขุดเมื่อขุดกึมนมาได้แล้วก็ปรากฏว่ามีทองจริงๆแล้วก็นำไปจุดเนี่ยว่านี่พ่อฝังเงินไว้เงินแท่งเขาขุดลงไปก็พบแต่ตรงนี้พ่อฝังแก้วแหวนเงินทองเมื่อแก้วแหวนหมายความเพชรนินจินดาไว้ของมีค่ามากเขาขุดลงไปก็พบ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระนราศพจึงกล่าวว่าโพบุริสสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเด็กคนนี้ต้องเป็นบินดาของเธอจริงเขาก็ยอมรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้า จ, าจึงทรงดั่งบาเพราะว่าอานันตเศรษฐีสมัยที่มีชีวิตอยู่ความชั่วของเธอไม่มีคือไม่ได้ทำเมตสินห้าแต่ก็ไม่ได้รักษาสินห้า ความดีไม่ปรากฏคือไม่มีการให้ทานสมาทานศีลเธอจึงต้องเกิดเป็นคนมีความยากจนขนาดนี้ถ้าอะไรก็ดีในฐานะที่เด็กคนนี้อานดีเป็นบิดาของท่านขอท่านจงรับเลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นการสนองคุณเป็นอนว่าท่านมหาเศรษฐีใหม่ก็จะต้องเชียร์องค์สมเด็จพระจอมไตรเพื่อเหตุผลมันตรง ก็เลยรับเรียงเอาไว้นั่นดีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรภกเขาไม่ที่นั้นเด็กคนนั้นก็ไม่มีโอกาสจะเข้าบ้านได้ <c oughs> นี่ระเดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการดีคนเราเกิดมาแล้วจะคิดว่าความชั่วไม่ไม่มีความดีไม่ปรากฏขึ้นชื่อว่าเราไม่ทําลายสินห้าแต่เราก็ไม่เคยสมาทานสินห้า เราไม่เคยให้ทานกองการกุศลแต่เราไม่รักไม่ขโมยของของใครไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใครจะเข้าใจว่าเป็นความดีคนที่จะพึงได้ก็อย่างตัวอย่างท่นอนันตเสรษฐีเป็นเหตุฉะนั้นเขาวัน ด, าด่านสาวกขององค์สมเด็จพระบรมาโลกเชิอันนี้เป็นบุพ ก, กรรมด้านมนุษย์เือบุพกรรมด้านมนุษย์ พเศษชีแจงให้มันดาแทนพุทธบริษัทได้ทราบว่าการที่เราเกิดมาได้เป็นคนพระผลของศีลหรือว่าผลของกรรบวชศีถ้าเรามีทรัพย์สินอยู่บ้างก็เพราะผลของทานเรามีปัญญากับเพราะอาศัยใจอบรมในด้านคุณธรรมความดีมาแต่เกิดมาในชาตินี้ก็ขอบรนดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทานนาน จงสร้างความดีต่อไปอย่ายับยั้งความดีนั้นถ้ายับยั้งความดีนั้นเสร็จแล้วก็จะเหมือนกับว่าคนที่ทําเงินเดือนได้นหนึ่งเดือนได้รับเงินเดือนมาแล้วเราไม่ทําต่อไปเดือนใหม่เราก็ไม่มีโอกาสจะมีทรัพย์สินจะกินหมือว่าคนปลูกพืชพันธุ์ัญญาหารมันได้ทรัพย์สินนั้นหลายเรานั้นมันแล้วก็หยุดทํา กินของเก่าบทดไปของใหม่ไม่มีมันก็ต้องอดอย่างอนันตเศรษฐีฉะนั้นขอสาวกพองค์สมเด็จประมหามุนีที่บรรดาท่านหลายวันนี้ตั้งใจมาสมาทานอุโบสถศีลตั้งใจถวายทานแด่พระสงค์ในพระพุทธศาสนาตั้งใจสันดับรับรสพุทธโพธิศนา แล้วก็ตั้งใจสมาทานสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐา น, น, ารรานขอทนานหลายจงภูมิใจในความดีของท่าน จ, ง, จงเยียดจงเล่าเป็นกรรมที่อนันตเศรฐีทำไว้อย่าทำอย่างนั้นอากาอนันตเศรีนี่ท่านกล่าวว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคือมาด้วยน่ายของความดีแต่ไปด้วยน่ายของความชั่วตัวจึงมีทุกข์ แต่ที่สําหรับบรรดาท่านผู้ทำบริษัทปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าใช่ก่อนเคยสร้างความดีมาแล้วก็สร้างความดีต่อความดีก็จะส่งเสริมให้ท่านหลายได้รับท่านหลายได้รับความสุขซึ่งท่านหลายจะได้สัับในวันต่อไปว่าคนที่ทําความดีมาแล้วแล้วก็ทําความดีต่อไปมีผลเป็นประการใดสําหรับวันนี้เวลาก่อนการเจริญวมื่อกรรมฐานเขหมดแล้ว ก็จะต้องขอยุติก่อนขอความุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผู่ผลจงมีแดวบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้ประกอบความดีทุกท่านสวัสดี